ที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีมีสถานพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าไม่เหมือนใครก็ได้นะหรือมีน้อยมากในเมืองไทยสถานพยาบาลพิกษุอาจพาดระยะสุดท้ายชื่อว่าสันติภาวันชื่ว่าไม่เหมือนใครเพราะว่าสถานพยาบาลที่ว่านี่เน้นเฉพาะ ภิกษุอ า, าพาธแล้วก็ไม่ใช่อ า, าพาธธรรมดานะอยู่ในระยะสุดท้ายซึ่งในเมืองไทยมีน้อยมากส่วนใหญ่เวลาป้อ า, าพาธเนี่ยผู้คนก็ต้อง่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐบ้างโรงพยาบาลเอกชนบ้างอันนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญอยู่นะแต่ว่า ถ้าเป็นภิกษุที่อ า, าพาธอยู่ในระยะท้ายเนี่ยมันไม่ค่ยมีที่รองรับนะมันถามว่าเมื่ออยู่ในระยะท้ายแล้วอยู่โรงพยาบาลไม่ได้เลยมันก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่พอไปอยู่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็บางจะหลงเอยด้วยการยื้อนะ ยืดเรียกว่ายือชีวิตแต่ที่จริงก็คือการยืดความตายยืดด้วยกระบวนการต่างๆที่เพียงแต่ช่วยทำให้หายใจได้ยืนยาวขึ้นแต่ว่าไม่ได้ทำให้หายแล้วก็ไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเลยนะกลับมีแต่ความทุกข์ทรมานซึ่งเดือวนี้ก็เป็นที่รู้กันมากขึ้นนะว่า มาตรการแบบนี้เนี่ยมันมันไม่ได้ช่วยเท่าไหรนะ่กับผู้ป่วยระยะท้ายก็เลยมีการดูแลแบบประคับประคองมารองรับผู้ป่วยระยะท้ายต่ว่าโรงพยาบาลหรือสถานบียาบานที่มีการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยทั้งหมดนะก็ รองรับหรือเหมาะสมกับคาราวาสแต่ไม่ค่อยเหมาะสำหรับพระถัาจะหาสถานพยาบาลสำหรับภิกษวะภริยาทายนี่มันมีน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยสันติภาวนก็เป็นแค่หนึ่งในสองหรือหนึ่งในสาที่มีในเมืองไทยแล้วก็ไม่ใช่แค่ให้การดูแลแบบประคับประคอง แก่ภิกษุอาพาธ เ, เท่านั้นนะที่พิเศษกว่านั้นคือว่าผู้ที่ดูแลก็เป็นพระด้วยกันผู้ที่ดูแลก็เป็นพระมีคารวะมาช่วยบ้างแต่ว่าหลักๆก็คือพระอาจารย์วิชิตเนี่ยซึ่งก็เคยอยู่ที่สุกโตท่านก็เป็นหลักที่นั่นแล้วก็มีพระที่สุกโตหลายรูปก็ไปช่วยอาจารย์วิชิต ตอนนี้ก็มีพระหลายรูปนะบางรูป ก, ก็เป็นฝรั่งนะท่านชอนก็ปีนี้มาจำพรรษาที่นีนะ่แต่ก่อนหน้านี้ก็ไปเป็นที่เรียกว่าผู้ดูแลภิกษุอาภาต ท, ที่สันติภาวันอยู่หลายเดือนแบบนี้นี่มีน้อยนะคือพระ <c oughs> สถานยาบาลที่พระดูแลกันเองผู้ป่วยก็เป็นพระผู้ดูแลก็เป็นพระซึ่งมันเหมาะสมนะเพราะว่าพระโดยการก็จะรู้ถึงเรื่องธรรมวิญญาการดูแลผู้ป่วยเนี่ยที่เป็นพระเนี่ยถาาว่าไม่เพียงแต่ให้การดูแลที่เหมาะสมกับอาการทางกายแต่ว่า อย่างให้การดูแลที่เหมาะสมกับสมณภาวะคือคำนึงถึงเรื่องของพระวินัยด้วยนี่มันก็ยิ่งเหมาะสมเข้าไปอีกทีนี้มันก็น่าคิดนะว่าทำไมจึงมีสถาพยาบาลแบบนี้ขึ้นมาแยกต่างหากที่จริงเวลาพระป่วยก็ไม่ไปต้องไปไหนถ้ารักษาพระพอรักษาหายก็ไปโรงพยาบาล แต่ถ้าภาวาการหนักอยู่ในระยะท้ายก็ดูแลกันที่วัดมีพระดูแลแต่เดี๋ยวนี้การดูแลแบบนี้เนี่ยมันหาได้ยากนะในตามวัดต่างๆพระที่ป่วยนะจึงมักจะลงเอยไปที่โรงพยาบาลหรือถึงแม้ว่าจะป่วยอาการหนัก อยู่ในระยะท้ายก็ไปมรณะพาพิี่โรงพยาบาลไม่ว่าจะโดยการยือ้อไม่ว่าจะหลังจากการยือ้อแต่ไม่สำเร็จหรือว่าด้วยการดูแลแบบประคับประคองก็ตามให้มันหาเดีย๋ยวนี้หาวัดที่จะมีหมู่สงฆ์ที่เข้มแข็งแล้วก็ดูแลผู้ป่วย ที่เป็นพระด้วยกันทีนี้ก็น้อยลงก็เลยเป็นเหตุให้มีสันติภาวันขึ้นมาแล้วก็มีพระที่ป่วยระยะท้ายที่จะเรียกว่าไม่มีวัดไหนดูแลแล้วแม้แต่วัดที่ตัวเองสังกัดหรือแม้แต่วัดที่ตัวเองเคยเป็นเจ้าวาดเนี่ยคณะสงฆ์ก็ไม่เอาทุระก็เลยต้องมาลงเอยที่สันติภาวานัน จนมรณะภาพแล้วไม่ใช่เฉพาะพระที่เป็นระดับเจ้าวาดที่ต้องมาลงเอยที่สันติภาวันเพราะว่าวัดของตัวเองไม่ดูแลใจใส่อย่างจริงจังแล้วลหลังก็เริ่มมีพระอีกประเภทหนึ่งนะเป็นเกจิอาจารย์ เป็นเกจิอาจารย์หรือเป็นอาจารย์ในทางขลังก็เริ่มนะมาใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายที่สันติภาวันยังมีองค์หนึ่งเนี่ยอายุก็มากเลยนะเป็นเรื่องหลวงปู่หลวงตาเป็นเกจิเป็นเกจิอาจารย์ในทางทำนายไทยทักดูดวงสอดอกเคราะ์ แล้วก็แน่นอนนะเกศีอาจารย์แบบนี้ก็จะมีญาติโยมศรัทธามากมีญาติโยมมาขึ้นมากเพราะว่าหลวงพ่อท่านนี้ท่านก็นอกจากช่วยบำบัดทุกข์ทางใจกับผู้คนแล้วท่านยังมีเมตตาสงเคราะห์ในเรื่องของข้าวของเครื่องใช้กับคนที่เดือดร้อนรวมทั้งเงินทองด้วย แต่พอท่านป่วยนะพอท่านป่วยแล้วอาการก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆทีแรกเนี่ยก็มีโยมมาดูแลที่วัดนะโยมที่ศรัทธาในตัวหลวงพ่อหรือโยมที่เคยได้รับการดูแลช่วยเหลือทราบซึ้งในบุญคุของหลวงพ่อก็มาช่วยมาดูแลพยาบาลท่านที่วัด แต่พอการท่านหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยืดเยื้อยืดเยื้อนี่คือเป็นปีนะพอกวาญาติโยมก็ค่อยเริ่มหายไปหายไปทีละคนสองคนแม่หลายคนจะบอกว่าโอ้ยหลวงพ่อหลวงท่านมีบุญคุณกับผมมากมีบุญคุณกับหนูมากนะช่วยสงเคราะห์โน่นนี่แต่ว่าพอดูแลหลวงพ่อได้ พักใหญ่นะก็ค่อยๆหายไปทีละคนสองคนอาจจะมีบ้างนะที่โทรศัพท์มาถามอาการแล้วก็ส่งเงินมาให้โอนเงินมาให้แต่ที่จะดูแลจริงจังนี้ก็น้อยลงไปเรื่อยๆเด ย, ยเพราะาตอนที่ท่านเริ่มจะไม่สามารถจะทำนายทายทักหรือว่าสงเคราะห์ญาติโยมได้เหมือนก่อนปัจจัยก็เริ่มเล่อยหรอ ที่เคยสงเคราะห์ญาติโยมก็ทําได้น้อยลงพอคนได้รับอ่านที่สงหรือประโยชน์จากท่านน้อยลงก็ค่อยหายหน้าหายตาตามไปด้วยสุดท้ายแล้วก็ต้องย้ายไปไปอยู่วัดต่างจังหวัดเนี่ยไปอยู่ต่างจังหวัดก็ก็ไม่มีใครดูแลโยมก็ไม่ได้ดูแล พออยู่ไกลส่วนพระสงฆ์คณะสงฆ์ด้วยกันก็ไม่ค่อยเอาใจใส่ถือว่าเป็นพระอาคารตุกกะสุดท้ายก็ไม่มีใครดูแลก็เลยส่งท่านมาที่สันติภาวะเป็นที่สุดท้ายทนะีสันติภาวะก็ดีนะรับดูแลท่านเราไม่ได้ดูแลแค่เดือนสองเดือนดูแลเป็นปีนะ ระหว่างที่ดูแลนี่ก็อย่างว่านะลูกศิษย์ลูกหาที่เคยจะรับการค้ำจุนอุดหนุนจากท่านก็ไม่ค่อยมาเท่าไหร่บางตามากก็มีแต่พระนะที่เป็นผู้ดูแลนะในสันติภาวันก็ดูแลท่านจนมรณะภาพแล้วก็ไม่ใช่แคร่รูปเดียว น, นะมีอีกรูปหนึ่งนะก็เป็นพระเกษจีอาจารย์เหมอือนกัน ก็ส่งเคราะห์ญาติโยมด้วยน้ำมนต์เครื่อง้างของขลังก็มีญาติโยมศรัทธาลือขึ้ น, นยอยู่จำนวนหนึ่งแต่พอท่านป่วยแล้วเริ่มป่วยหนักป่วยนักไม่เท่าไหร่นยืดเยื้อก็มีโยมเนี่ยจกระท่านต้องไปโรงพยาบาลเพราะพระดูแลด้วยกันไม่ไหวดูแลไม่ไหว อาการหนักไปโรงพยบาบาลแต่ว่าอยู่โรงพยบาบาลแล้วก็ก็อยู่แบบเพศทรงๆน่ะก็มีโยมคนหนึ่งนะที่นับถือท่านเหมือนกับเป็นพ่อเนี่ยรับไปดูแลที่บ้านรับไปดูแลที่บ้านมันก็ดีนะแต่ว่าตอนหลังดูแลไม่ไหวเพราะว่ายาวนานเป็นปีเนี่ยโยมก็มีภาระมีครอบครัวต้องดูแล สุดท้ายนะก็ต้องหันมาพึ่งสันติภาวะันส่งท่านมาที่สันติภาวะันสันติภาวะวันก็ดูแลนะดูแลนี่ก็เรียกว่าจนถึงขั้นเช็ดขี้เช็ดเยื่อทำความสะอาดป้อนข้าวป้อนน้ําเพราะอาการหนักจนอยู่ในระยะที่ช่วยเตียงไม่ได้เรียกว่านอนติดเตียงสุดท้ายก็มรณภาพอันนี้ก็ มันให้ข้อคิดที่ดีนะเรียกว่าแม้จะเป็นเกจิอาจารย์เนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหานับถือมากมายในสมัยที่ยังสามารถที่จะส่งข้อญาติโยมได้แต่พอถึงวันที่ป่วยและป่วยหนักแล้วก็ป่วยนานเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายนี่ไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งได้เลย ซึ่งก็น่าเห็นใจนะใ น, นใจเพราะว่าญาติโยมเขาก็มีภาระของเขาแล้วเมื่ชื่อเห็นได้ว่าวิชาคาถาอาคมเนี่ยมันก็แม้จะมีมากเพียงใดก็ พ, พึ่งพาไม่ได้เหมือนกันพอถึงเวลาเจ็บป่วยก็มีแต่กลุ่มบุคคลที่เป็นที่พึ่งพาได้ก็คือพระสงฆ์ด้วยกันนั่นแหละเพราะว่าพระเราเนี่ยพอบวชมาแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่า ถือว่าครอบครัวใหม่ก็คือคณะสงฆ์ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะคณะสงฆ์เข้มแข็งวัดวาอารามมีความเป็นสังฆะก็มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันถึงเวลาใครป่วยก็มีพระช่วยกันดูแลถึงเวลาอาพาธมากมากนะ พระที่เหลือก็ช่วยกันดูแลพยาบาลอันนี้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแต่เดี๋ยวนี้ก็หาได้ยากนะเห็นว่าอาจารย์วิเชียรท่านบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าป่วยแล้วก็อยู่ในวัดทั่วทั่วไปเนี่ยยากนะที่จะหาพระด้วยกันมาดูแลก็ต้องไปลงเอยที่โรงพยาบาลมีบางรายเนี่ย ญาติโยมยินดีดูแลนะแต่ไม่สะดวกนะเพราะเป็นผู้หญิงสุดท้ายหลวงพ่อหลวงตาก็ต้องศึกศึกกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ให้ลูกหรือให้หลานซึ่งเป็นผู้หญิงมาดูแลจะให้ผู้ชายดูแลก็ยากนะเพราะไม่ใช่ธรรมชาติหรือไม่ได้ความใส่ใจไปแล้วแต่ถ้าผู้หญิงดูแลก็ต้องให้สึกหารับเพ่ซก่อนเพากลายเป็นอย่างนี้ไป ซึ่งจริงมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นนะแต่ว่าพระสงฆ์นี่ด้วยการดูแลซึ่งอาจารย์วิเชียรบอก ว, ว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีแต่สงแบบวัปดป่านั่นแหละนะที่จะมีะน้ําใจแล้วก็ความใส่ใจที่จะดูแลพระที่อาภาตถ้าเป็นวัดอื่นหรือวัดประเภทอื่นเช่นวัดบ้านวัดเมืองนี่ก็โรงพยาบาลอย่างเดียวหรือไม่เช่นนั้นก็ ต้องโยนไปให้ญาติโยมดูแลซึ่งก็อย่างที่ว่านะสุดท้ายญาติโยมก็ดูแลไม่ไหวถ้าไม่มีสันติภาวา น, นี่พระจนวไม่น้อยนี้ก็ไม่มีที่พึ่งนะเรื่องแบบ น, นี้พระจํานวนแบบพระแบบนี้ก็ต้องมีก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆนี่ขนาดเกจิอาจารย์ที่มีลูกศิกลูกหาเยอะนะเจ้าวาดพระจะเป็นเจ้าวาดพระจะเป็เจ้าคุณก็จำนวไม่น้อยก็ลงเลยแบบเดียวกัน พอหมดอำนาจวาสนากลายเป็นคนป่วยนะพระด้วยกันก็ไม่เหลียวแลพระลูกวัดก็ไม่เหลียวแลอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่ท่านเป็นเจ้าว่าท่านก็ไม่ได้มีน้ำใจกับลูกวัดพอถึงเวลาป่วยก็ไม่ได้รับความเอื้อเฟื้อหรือการอุปถัมภ์จากพระลูกวัดอันนี้คือสภาพที่เกิดขึ้นทั่วไปแต่ก็ชื่อเห็นนะว่าเนี่ยความเป็นสังขารที่สาคัญมากเลยนะสาหรับพระ พอสุดท้ายเนี่ยพระเราทุกคนไม่ว่าใครก็ตามก็ต้องแก่ชาราก็ต้องอาภาพและจะพึ่งโรงพยาบาลอย่างเดียวก็ไม่ได้และจะรอให้มีสถานพยาบาลผู้ป่วยระยะท้ายอย่างสันติภาวันก็อาจจะไม่พอนะก็ต้องช่วยกันดูแลกันเองแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ใช่เป็นปัญหาของพระอย่างเดียวนะคารวาสอย่างนี้ก็เจอปัญหาคล้ายๆกัน พอแก่ชราแล้วก็ป่วยระยะท้ายถ้าไม่ไปลงเอ๋ยที่โร ง, งพยาบาลแล้วก็ถูกยือ้อก็อาจจะประเภทว่าอยู่โรงพยาบาลก็จริงแต่ไม่มีใครเหลือแลในกรณีที่เป็นโรคยืดเยื้อเรื้อรังเพราะว่าลูกหลานเดี๋ยวนี้ก็มีน้อยลงแล้วก็ที่มีกำลังที่จะดูแลก็ น้อนะเพอะเดี๋ยวนี้ครอบครัวหนึ่งพ่อแม่ก็มีลูกหลานแค่คนสองคนไม่ได้มีลูกเยอะเจ็ดแปดคนห้าหกคนเหมือนสมัยก่อนเที่จะพัดกันมาดูแลด้วยพอมีลูกแค่คนสองค น, คนลูกก็ต้องมีครอบครัวต้องดูแลดูแลถ้าดูแลถ้าคนเดียวดูแลพ่อดูแลแม่นานเป็นปีนี้ก็ไม่ไหวเงิน ยิ่งคนที่ไม่มีลูกเลยก็ยิ่งลาบากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีมิตรสหายเยอะนะเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่มีเมตตากรุณาเป็นคนที่มีความเอื้อเฟอืเ้อเผือแพว่าก็มีเพื่อนมาดูแลเยอะนะอย่างเพื่อตมาเนี่ยตอนที่เสียชีวิตประมาณตอนที่ป่วยหนักอายุ40กว่านี้แม่นี่ไม่ต้องเหนื่อยในการดูแลลูกเลยนะ เพราะว่ามีเพื่อนมาดูแลมีเพื่อนมาเยี่ยมเย็นมีเพื่อนมาใส่ใจมีคนอาสาดูแลยี่บสี่ชั่วโมงสามสี่คนเพราะว่าเป็นคนที่มีน้ำใจเอาคนเราถ้าหว่าในยามที่มีชวิตอยู่ในยามที่ปกติสุขนี่มีน้ำใจนี่เมตตากรุณามีความเอื้อเฟื้อก็จะมีมิตรสหายที่จะคอยช่วยดูแลในยามยากได้ เลยเพราะถ้าหากว่าเลือกที่จะไม่ยือ้อจะขอดูแลไปเพราะกระระคองก็ไม่ต้องไปลงเอยที่โรงพยาบาลอาจจะใช้ชีวิช่วงสุดท้ายที่บ้านมีหมอมาช่วยมีโรงพยาบาลมาช่วยระงับความปวดทำให้เกิดความสุขสบายแต่หมอและโรพยาบาลก็มาชั่วคราวนะั้นต้องมีคนที่ดูแล จะเรียกว่ายี่บสี่ชั่วโมงเลยแล้วคนเดียวก็ไม่พอต้องสองสคนนะนี่คนที่ในยามที่ปกติสุขมีความเมตตากรุณามีความเอื้อเฟื้อมีน้ำใจไมตรีเนี่ยก็จะไม่ก็จะไม่ขาดคนดูแลอย่างนี้หลายคนนะพอแก่ตัวเขาก็เริ่มทำเป็นเครือข่ายแล้วเพื่อได้ช่วยเหลือกันในยามยาก แต่ว่าไม่ว่าจะมีคนดูแลมากเพียงใดนะจะเป็นพระดูแลหรือจะเป็นญาติโยมดูแลจะเป็นญาติพี่น้องดูแลอันนั้นก็ยังไม่สำคัญเท่ากับจิตใจนะเพราะว่าในยามนี้แม้จะมีคนดูแลครับข้าง แต่ถ้าวางใจไม่เป็นมันก็ทุกทรมานนะนั้นจะหวังพึ่งคนอื่นที่จะมาช่วยเหลือเรามาดูแลเราในยามแก่ในยามป่วยอย่างเดียวไม่พอมันต้องรู้จักพึ่งธรรมะให้อย่างลากลึกในจิตใจของเราด้วยผู้ง่ายว่าอย่าหวังพึ่งแต่เพียงสังฆหรือว่าญาติพี่น้องมิสหาย ต้องพึ่งธรรมะในใจเราด้วยเพราะคนเราเวลาป่วยถ้าป่วยหนักเนี่ยถ้าวางใจไม่เป็นที่มันทุกข์มากเลยนะในอย่างที่เราปกติเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราเจ็บเราป่วยเราเอาอยู่นะในสิ่งจิตใจที่เราจิตใจของเราที่ฝึกฝนมานี่เอาอยู่แต่พอถึงเวลาป่วยจริงหลายคนเอาไม่อยู่นะเพราะว่าเวลาป่วยนี่ร่างกายมันรวน เคมีต่างๆในสมองก็ผันผวนความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปเลยแต่ก่อนตอนที่ไม่ป่วยนี่ก่อนจะเป็นคนที่จิตใจร่าเริงแจ่มใสมองบวกแต่พอป่วยนี่มันกลายเป็นห่อเหี่ยวหรือว่าหม่นหมองหนะรือว่ากลายเป็นคนละคนไปเลยอันนี้เป็นอาการทางเรียกว่าอาการทางเคมีในสมองก็ได้นะ ซึ่งมันทำให้มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกหีืที่เรียกว่ามูทเนี่ยนะมูทนี่มันเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนแค่ปวดอย่าว่าแต่ปวยอะไรเลยเป็นหวัดนะหรือว่าปวดหัวเนี่ยท้องเสียเนี่ยมูทมันเปลี่ยนเลยอารมณ์มันเปลี่ยนเลยนี่ยังไม่นับทุกเวทนานะทุกเวทนาคือความเจ็บความปวดนะพอเจอความเจ็บความปวดเข้านี่ถ้าไม่ได้ฝึกจิตเอาไว้เลยนี่มัน มันป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจยินงถ้าเป็นโรคร้ายรักษาไม่หายนี่จิตใจมันห่อเหี่ยวหนักเลยนะมันนึกถึงความตายมันนึกถึงอ ะ, อะไรต่ออะไรมากมายจิตใจก็รับมือกับความเจ็บความปวดไม่ไหวเกิดความกลัวเกิดความตื่นตระหนกเกิดความหงุดหงิดเกิดโทสะสารพัด ซึ่งล้วนแต่ทำให้ใจิตใจเป็นทุกข์มากบางทีความทุกข์กายยังไม่เท่ากับยังไม่ทำลายคนเราเมื่าเท่าความทุกข์ใจอมิสหายเครือข่ายญาติพี่น้องหรือคณะสงฆ์มันก็ช่วยได้นะทำให้เกิดกำลังใจแต่ว่าต้องรู้จักพึ่งตนเองด้วยในการฝึ ก, กจิตให้มีสติมีความสึกตัวเป็นอย่างน้อย รู้จักยอมรับความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นรู้จักยอมรับความผันผวนแ ป, ปรปวนที่เกิดขึ้นโอนี่เป็นเรื่องสาคัญมากเพราะธรรมด า, างคนเรานี่มันจะไม่ยอมรับมันจะบ่นโวยวายตีโพยตีพยแล้วเกิดความตื่นตหนกแต่ถ้าเรามีสตินะโอมันก็สามารถจะรับสาใจให้เป็นปกติได้ในระดับหนึ่งหรือไม่ก็ไม่หรือไม่ก็ไม่เสส่วนง่าย แล้วก็ยิ่งถ้าเราฝึกให้รู้จักยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเจ็บป่วยเวลาเกิดทุกข์พลภาพยอมรับมันได้ตอนนี้ก็ช่วยทำให้ใจนี่มันเป็นปกติได้ได้เร็วขึ้นหรือยังน้อยก็ไม่ทุกมากธรรมดาคนเรานี่จะยอมรับอะไรต่างๆก็ยากนะแต่ถ้าเราเริ่มฝึกใจยอมรับ สิ่งที่เรียกวาอ น, นิจจารมณ์ตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่วันนี้นเสียงดังยุงรบกวนหรือว่าคำพูดที่ไม่ไพเราะไม่ถูกใจหรือว่าความติดขัดนในชีวิตเจอคนที่ไม่น่ารักเจอสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูก อ, อกถูกใจฝึกใจยอมรับมันเอาไว้ ฝึกใจยอมรับมันเอาไว้หรือว่าให้ใช้สตินะแค่รู้ซื่อๆแค่รู้เฉยๆเวลามันกระทบกายกระทบตาหูจมูกลิ้นกายเกิดอารมณ์ขึ้นมาอ้าวก็ก็ยอมรับมันแค่ดูมันเฉยๆอันนี่เป็นวิชาสำคัญมากวิชาวิชา เรียกว่าเป็นวิชาชีวิตเลยทีเดียวนะที่จะช่วยทําให้เราสามารถที่จะรับมือกับทุกขเวทนาและความเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นในวัข้างหน้าไดา้ที่จริงไทยต้องรู้จักซ้อมนะซ้อมป่วยมั่งซ้อมป่วยจะได้รู้ว่าเออเราพร้อมแค่ไหนแต่ที่จริงพูดถึงความป่วยเนี่ยไม่ต้องซ้อมหรอกเพราะคนเราก็ ม, มีย่อมมีโอกาสที่จะ ป, ป่วยนอนป่วยนยี่เรื่อยๆแต่ให้ถือว่าเนี่ยเวลาป่วยแต่ละครั้ง มาเป็นแบบฝึกหัดว่าเราพร้อมแค่ไหนในการที่จะรับมือกับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในการมีสติเรียนรู้ที่จะยอมรับอนิจจาลมที่เกิดขึ้นกับกายและใจเวลาเจ็บป่วยมันไม่ได้มีอนิจจาลมเกิดขึ้นกับกายอย่างเดียวนะเช่นทุกขเวทนาความเจ็บความป่วยมันยังมีความหงุดหงิดมันยังมีความหอเหียวมันยังมีความรู้สึก ขุนมัวตื่นหรือกลัวบางทีก็ขับมันออกไปไม่ได้นะจะมองบวชยังไงมันก็ยังอยู่แต่ว่าถ้าเราลองฝึกใจยอมรับมันรู้ซื่อๆรับรู้ด้วยใจที่เป็นกลางอ น, นุญาตให้มันเกิดขึ้นได้ว่ามันจะเป็นวิชาที่สำคัญมากนันถ้าเราเกิดว่าเราฝึกแันนี้บ่อยๆเนี่ยนะถึงเวลาเราป่วยหนัก นะอย่าว่าแต่ป่วยประเภทว่ารักษาไม่หายเลยนะป่วยหนักประเภทที่รักษาได้แต่ว่าต้องผ่านทุกขเวทนาเราก็จะสามารถที่จะเรียนรู้จากความเจ็บป่วยนี้ได้แต่วเวลามีความพร้อมมากขึ้นในการที่จะรับมือกับความเจ็บป่วยในวันหน้าซึ่งรักษาไม่หายคนเราเนี่ยไม่ว่าจะป่วยจะเจอความเจ็บความป่วยมากมายนะอาจจะรักษาหายได้ แต่สุดท้ายมันจะมีความเจ็บความป่วยชนิดหนึ่งที่รักษาไม่หายแล้วก็ยืดเยืย้อเรอหลังและสุดท้ายก็ทำให้เรานะเรียกว่าหมดลมและต้องเตรียมตัวรับมือพุงเีนียวไว้ด้วยการฝึกจิตฝึกใจไว้เสมอไอ้คนะาถาอาคมต่างๆที่เรียนมาหรือที่มาใช้ใน การหาบริษัทบริวารหรือแม้แต่อำนาจที่มีในทนานที่เป็นเจ้าว่าดเจ้าคุณนี่มันไม่ได้ช่วยเลยแต่ว่าธรรมะโดยเฉพาะสติความสึกตัวสมาธิปัญญามันจะช่วยเราได้นะคือทุกข์กายแต่ใจไม่ทุกข์หรือว่ามีแต่ทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์แล้วพวกนี้มันต้องฝึกนะมันต้องฝึกจะฟังแต่ธรรมะอย่างเดียวไม่พอ อ่านธรรมะเท่าไหร่มันก็ไม่ช่วยจนกว่าได้ฝึกแล้วไม่ฝึกจากอะไรก็ฝึกจากความทุกนี่แหละฝึกจากสิ่งที่ไม่ถูกใจนี่แหละฝึกจากอนิษฐารมนี่แหละต้องฝึกจากสิ่งเหล่านี้เท่านั้นแหละใจเราถึงจะพร้อมในการที่จะรับมือความเจ็บป่วยและความผันผวนผวนแปรในวันข้างหน้าได้